พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21สิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่าทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมด วันนี้เป็นวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันขึ้น15ข่้าำเดือนเก้าเดือน9เพพวกเราเข้าพรรษามาก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนวันนี้ละครบหนึ่งเดือนพอดีที่หลวงพ่อได้พูดเกินก่อนสมาทานศีลว่า พวกเราคงจะมีสัจจะก็คงจะหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ได้ทั้งสัจจะอธิษฐานทําอะไรบ้างสามเดือนในพรรษาที่หลวงพ่อให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีจะเป็นการใส่บาตรไม่แห้ขาด ท, ทุกวันไหวพระไม่แหกขาด ท, ทุกวันนั่งสมาธิภาวนาไม่แห้ขาด ท, ทุกวัน รักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสดศีลในพรรษาไม่ให้ขาดที่หลวงพ่อได้พูดตลอดถึงการอบายมุกตลอดถึงการสูบุหรีหรือ ว, ว่าการดื่มสุราคัญชายาเมาต่างๆอันนี้ก็หลวงพ่อได้พูดวันก่อนก่อนเข้าพรรษาพูดอยู่หลายวัน แต่บัดนี้พวกเราได้เข้าพรรษามาห น, หนึ่งเดือนให้พวกเราทบทวนดูว่าที่พวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปนั่นล้มเหลวหรือหลอกตอนเองมากน้อยแค่ไหน อ, อ, อยากจะให้ถ้าว่ามันหลอกตัวเองก็พยายามตั้งใหม่ก็ไดเ้เหมือนกับสิ่งที่มันล้มมันล้มเราตั้งใหม่อีกมาได้ไม่ใช่ล้มล้มเลยเลุกสู้ใหม่อีกเอาสักตั้งสองตั้ง เหมือนกับนักมวยอ่าไม่ใช่ว่าเขาชกมาแล้วก็ล้มลงไปกับแพ้เลยไม่ใช่อย่างนั้นต้องลุกขึ้นมาอีกสู้อีกสักตั้งถ้าไม่ไหวจริงจริงยังค่อยหว่ากันแต่ตามไม่จริงมันน่าจะไหวก็เหตุไรเพราะว่ามันอยู่กับใจของเราทั้งหมดนั่นการที่จะสร้างคุณงามความดีมันอยู่กับใจของเราตาใจของเราเลาะและอ่อนแออะไรก็ล้มเหลวอ่าไปหมดนั่นแนหะ แต่ถ้าว่าใจของเราเข้มแข็งใช้จิตใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วเราจึงได้ตั้งสัจจะอธิษาฐานเมื่อตั้งสัจจะอธิษาฐานแล้วจะให้ล้มเหลวได้ยังไงถ้าล้มเหลวแปลว่าโกหกตนเองโกหกแล้วโกหกอีกไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นขอให้คณะศัทธาญาติโยมทุกๆท่านที่ได้ตั้งสัจจะอธิษาฐานอะไรเอาไว้ แทที่จะไปประกอบด้วยคุณงามความดีแล้วให้ตลอดอย่าไปตั้งสัจจะในความชั่วนะแต่ตั้งสัจจะความชั่วก็มีเหมือนกันสัจจะมันไปได้ทั้งสองอย่างสัจจะทางชั่วจะสัจจะทางดีพวกเราได้รับทาคาสอนของพระพุทธเจ้ารับทาคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่รับอัดรับทำ ได้รับศีลรับธรรมได้รับความรู้ความฉลาดมาแล้วเราควรจะตั้งสัจจะในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมในทางที่จะชาระกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์จากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้เป็นวันพระใหญ่คณะสัทธ า, าติโยงก็มาใส่บาทตักบาทล้นหลาม แต่ทิ้งยังไงก็ขอให้ <c oughs> พวกเราท่านทั้งหลายเรื่องทานหลวงพ่อไม่ว่านะ่ะอพวกเราพร้อมแต่เรื่องศีลก็พยายามใส่ใจแต่เรื่องภาวนาเนี่ยนะสําคัญมากนะคณรสทาญาติโ ย, ยม เ, เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเรื่องทานเรื่องศีด น, นั้นถ้าจะว่าไปแนละ้วยังนอกอยู่ เรื่องทานกระสีนะ่ยงนอกอยู่แต่ถึงยังไงก็เป็นเครื่องเสริมกันคล้ายๆกับต้นไม้เนี่ยจะเอาแต่แกนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเปลือกมีกระพรีลักษณะอย่างงั้นอนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเปลือกรรกระพรีก็คือทานศีนภาวนาก็คือแก่นแต่เราต้องการต้องการแก่นเพราะว่าเราต้องการคือความสุขที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดคือภาวนา ต้องการแก่นก็คือภาวนาเพราะนั้นพวกเราที่ได้มานั่งฟังที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีคือให้นั่งภาวนาเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากแต่ว่าบุญกุศลมหาศาลทำจิตใจของพวกเราให้สงบพร่อมเย็นเป็นถุกนานเท่านานถ้าพวกเราได้อบรมทางด้านจิตใจจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ ในเรื่องสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกหรือว่าแนะนําให้พวกเราคณะสัตย า, ญญาติโยมเรื่องภาวนาอย่างวันนี้ละ่ะเป็นวันพระใหญ่ให้เราตั้งจิตอธิษฐานวันวันนี้ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงวันพระอย่างนี้จะนั่งที่ไหนเราจะหาโอกาสนั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงผู้ที่มารับศีลอย่างวันนี้อย่างเป็นโยมผู้ชายหรือโยมผู้หญิงก็ตามถ้ามาอยู่ทางในครัวก็หาที่สงบหลีกเล่นกันจับกลุ่มกัน2องสามสีห้าคนจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งเปิดประตูเปิดหน้าต่างที่ยุงไม่เข้ามันมีมุ้งรวดอยู่แล้วนะจากนั้นเราก็ขึ้นไปนั่งภาวนาพร้อมพากันไหว้พระะก่อน ก่อนที่จะนั่งนะอัน ห, หน้าไปทางข้างใดข้างหนึ่งอัน ห, หน้าไปทางมาพระประธานก็ได้พระประธานก็อยู่ที่ศาลาของเราอยู่แล้วนะเราอยู่ที่อยู่ที่ลังคงครัวหรืออยู่ที่ไหนหอฉันเก่าหรือที่ไหนแล้วเราก็ห่านหน้ามาทางพระประธานจากนั้นก็กราบมาทางพระประธานกราบพุทโธธรมโมสังโฆนิพานังข้าไปเจ้าหวังพระนิพานกราบเสร็จแล้วก็เอา พวกเราตั่งภาวนานะนหนึ่งชั่วโมงในวันนี้นะจากนั้นก็นั่งภาวนาไม่กระดุกกระดิกไม่คุยกันอย่างที่หลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวด้วยนะนั่งคัจจมานี้จะนั่งพับเพียบ ก, ก็ได้จะนั่งคัดจมาดก็ได้จากนั้นก็นั่งแต่ให้หยุดในความสงบหลับตาหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าออกตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ นี่แหละต่อไปเมื่อเราฝึกครั้งนี้ฝึกครั้งต่อไปฝึกหลายๆครั้งใจของเราจะได้รับความสงบลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอใจสงบนิ่งทีนี้ใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว น, ะนั่นแหละความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจพวกเราจะมีกำลังใจขึ้นมาเลยทีนี้มีกาลังใจการที่จะทำ ประชิญหน้ากับสิ่งอะไรก็ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องต่างๆก็ตามจิตใจของเราจะเข้มแข็งแล้วก็ประชิญความจริงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ภาวนาเอาไว้ถ้าว่าเราภาวน า, าไว้อยู่เสมอๆสม่มๆๆําเสมอนั่นแหละถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงจะมีมรณะภัยเกิดขึ้น เราก็พอจะอทนไหวพอที่จะต้ตานทานไหวแต่ถ้ า, าว่าเราไม่ได้คิดเรื่องภาวนาไม่ได้คิดเรื่องทาจิตใจให้สงบไม่ได้คิดถึงตามทาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดถึงมรณะภยัยคือความตายของตนเองเลยเพราะนั้นถ้าหากว่าคราวที่จำเป็นมามากๆคราวสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับผัก หลังหมาใส่เสือลักษณะอย่างนั้นนะเพราะความตาย เ, ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับมวลมนุษยชาติจนไม่กล้าคิดนะกลัวถึง ข, ขนาดนั้นละ่ะกลัวกระทั่งไม่กล้าที่จะคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าเอ้ยคิดเลยเออคิดเลยให้คิดถึงความมรณะภัยเลยกลัวทำไมกลัวแล้วไม่กลัวมันก็เท่าเก่าไม่เห็นจะ ม่เห็น ท, ที่จะน่ากลัวที่ตรงไหนกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะฉะนั้นคิดดูคลี่คลายดูให้ดีนี่แหละพระพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นจากนั้นเราก็มานั่งภาวนานคิ็ดเราก็คิดดูให้ดีทีเดียการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลว่าร่างกายของเราเนี่ยไปยังไงจุดจบของมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นยังไงใจของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนี่แหละ อยากจะให้พวกเราคณะสัทยา ญ, ญาติโยมทุกคนนะนั่งภาวนาหรือว่าตอนเย็นก่อนหลับนอนปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ก็ปิดในขณะที่จะนั่งภาวนามันจะกวนพอปิดเสร็จแล้วยี่สบสามสินาทีนั่งทาจิตใจให้สงบดูลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ท้งนั้นพวกเราคงจะพูดแล้วจะได้อะไร นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแต่ให้ฟังให้ให้ทำเอาไว้ก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งประมาทอย่าพึ่งบอกว่าไม่ได้อะไรหรือว่าเปล่าประโยชน์อย่าพึ่งคิดอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระหัตถสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของพวกเราท่านทํามาแล้วท่านได้ผลมาแล้วท่านยังแนะนํามาเป็นทอ ด, ทอด แต่พวกมาถึงพวกเราพวกเราทําไมหัวตื้อหัวลั้นไม่ยอมฟังใครเลยมันไม่น่าจะถูกนะเป็นบุคคลหัวลั้นไม่ยอมฟังใครเลยไม่น่าจะถูกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฟังเอาไว้เมื่อฟังแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทดลองเลสินี่แหละเมื่อทดลองดูแล้วเนะี่ยพวกเราจึงจะรู้เห็นบุญคุณโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าก็คงจะทํามานาน กล่าวพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงค์ด้วยความสนิทใจจิตใจสงบในมีความสุขอย่างนี้เองหนาสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้แนะนำบอกกล่าวจากนั้นเราก็ให้เป็นคนมีเหตุมีผลให้เชื่อเอาไว้ในระดับหนึ่งก่อนถึงจะไม่เชื่อทั้งหมดก็ให้เชื่อในระดับหนึ่งให้ปฏิบัติดูแต่ขนาด คนโบราณหลงตายยังบอกว่าเนี่ยโยมคุณแม่ไม่เคยกินทุเรียนเพราะถูกกินทุเรียนนะโ อ, อ้วิ่งหนีเลยเพราะมันมันเหม็นนะท่านบอกเอยถ้าพอมันกลิ่นมันเหม็นก็จริงอยู่แต่เวลารถเข้าไปในลิ้นถึงรถทุเรียนแล้วนะกลิ่นมันหายหมดเลยหอมไปเลยนะทีนี้นดลองดูนะ จากนั้นโยมันดาท่านก็อนได้ทานทุเรียนพอทานท่านโอ้ยอร่อยจริงๆฮะแต่ก่อนมีแต่หมดเหม็นทุเรียนฮะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันน่ะหลวงพ่อเปรียบเทียบเวลาครูบาอาจารย์บอกกาว่านั่งภาวนาเนอโอ้ตายนั่งเปวดแข้งปวดขานั่งจุกปุกไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งบังคับนั่งเข้าไปแล้ว จิตใจได้รับความสงบแล้วนั่นแหละท่านเห็นเห็นคนเลยท่านเออครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนให้เรานั่งสมาธิใจของเราได้รับความสงบเนี่ยมันตัดโลกตัดสงสารได้จริงๆมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ฝ่ออฟาฟันอุปสรรคได้จริงๆในการนั่งภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดถ้าใจของเราไม่ไปคิดใจของเราไม่ไปรับใจของเราไม่ อไปแบบในเรื่องนั้นๆอะไรจะมาเกิดเพราะนั้นให้ดูที่ใจถ้ารู้เหตุรูผลแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วก็ท่ามที่ใจของเราเบรกที่ใจของเราหยุดจะคิดเรื่องนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ออพอหยุดท่านั้นแหะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันก็หยุดหยุดที่ใจเมื่อหยุดที่ใจใจของเราได้รับความสงบแล้วเสียยืดเย็น ไม่วิตกไม่กังวลไม่ทกไม่ร้อนกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องการภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันห้ามใจตนเองดูที่ใจตนเองห้ามที่ใจตนเองทําจิตใจให้สงบเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อเ น, เน้นหนักจริงๆเรื่องภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลหลวงพ่อก็เป็นที่พอใจเห็นคณะรัตยาญาติโยมทําบุญ ทำบุญตักบาตรแต่เรื่องศีลก็ให้ใส่ใจเข้าไปด้วยถ้าศีลดเีเมื่อศีลดีสมาธิก็จะดีถ้าศี์ไม่ดีสมาธิก็จะไม่มั่นคงเพราะนั้นเรื่องศีลกับสมาธินี่มันเป็นมันไปแนวแถวเดียวกันถ้าใจของเรารักษาศีลดีแล้วเราไปนั่งภาวนาเราไม่มีโทษไม่มีเรื่องอะไร ใจของเรากจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราไงเพรา ะ, i, ราะสินของเราดีพราะนั้นวันนี้พวกเราเราจะมาทานสินจบลงไปแล้วต่อไปก็เนี่ยามีโอกาสช่วงไหนขนาดนั่งรถกลับบ้านคนหนึ่งเป็นคนขับคนหนึ่งก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปด้วยหรือว่าฟังเทศครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเข้าในซีดีแล้วเหอคนนึ่งก็ขับไป ไปเรื่อยคนหนึ่งก่อนนั่งหลับตาฟังเทศไปด้วยดูใจของตนเองไปด้วยเป็นการฝึกทางนั้นนี่แหละเรื่องการฝึกสมาธิมันไม่ได้ฝึกยากนะไม่ใช่ว่าปุบ ป, ปับเข้าไปนั่งขัดสมาธิจะก่อนจึงนั่งสมาธิไม่ใช่เรานั่งณนะสถานที่ใดนั่งเก้าอี้ก็ได้ฮแต่ว่าถ้าเราจะเอาจริงเอาจังเ อ, อเราควรจะนั่งเป็นขัดสมาธิล่ะ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะเนี่ทำกายให้ตรงจากนั้นกับบริกรรมพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละการภาวนาแต่ผลของการภาวนาเนะี่ยมหาศาลนะพวกเราคณะรัทยา ญ, ญาิโยมนะบุญกุศลหรือว่าผลของการทำสมาธิเนี่ยถ้าเราฝึกได้แล้วนะมหาศาลคุณอันนันเลย เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนําบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ฝึกหัดเรื่องนั่งภาวนาเนอ้อนี่แหละนี่แหละหลวงพ่อก็ บ, บอกแล้วบอกอีกเหมือนกันแต่สําหรับท่านเทศในสาธารณะท่านไปเทศแสดงธรรมในสาธารณะโดยมากมีเต่วเออให้ภาวนาเนอ้อเท่านั้นเอง แต่จะจำจี้จําชัยอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคงจะหาฟังได้ยากเหมือนกันนะคณะทศไทยญาติโยมน ะ, ะคงจะหาฟังได้ยากแต่มีแต่หลวงพ่อเนี่ยแหละหลวงพ่อเนี่ยแนะนําบอกกล่าวเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งน ะ, ะสําหรับพวกคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานนะแต่เรื่องทานเรื่องศีลก็เออหลวงพ่อเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นที่พอใจขนาดนั้นก็เพียงพอแล้วะ แต่เรื่องสมาธิรู้สึกว่าเจ้าอ่อนอ่อนอยู่รู้ว่าอยู่ในใจของใครใจเราแล้วว่าทำอยู่ลุงพ่อก็ไม่สามารถที่จะพูดรู้ได้นะแต่ลงพ่อก็พูดไว้ก่อนว่าให้ทำให้มากๆเรื่องสมาธินะถ้าพอมีเวลาแล้วก็ปั๊บ เ, เข้าสมาธิเลยนั่งภาวนาเลยเถ้าเวลาทำการทำงานก็ทำการทำงา น, งานอาพอว่างจากการจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิ บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเลยถ้าทําได้อย่างนั้น เ, เลิศประเสริฐที่สุดนะพวกเรามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราไม่ต้องกลัวทีไไม่ต้องย่อท้อคุณงามความดีเต็มเอียดในใจของเรากลัวทําไมฮเพราะนั้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดไปจากไหนไม่ไปจากเร า, เาความดีก็ไปจากใจของเราความชั่วไปจากใจของเราทา้งว่าพวกเรา ทำแต่คุณงามความดีชั่วมันจะเกิดได้อย่างไรเพราะนั้นบางคนก็บอกอเขาพูดไปอย่างนั้นผมกลัวบาปเอา้เอาคำว่าบาปคำนี้นะมันไม่ใช่มันจะมาวิ่งชนหรอนไม่ใช่นะมันออกไปจากใจของเรานะถ้าใจใจของเราไปคิดไม่ทำไม่พูดมันจะเป็นบาปได้อย่างไรถ้าใจของเราคิดไปในทางบาปแล้วก็ทำไปทางบาปพูดไปทางบาปบาปมันจึงจะเกิด เจตนาหางพิกเวก ร, รมมังวดามิมันต้องเจตนาการที่จะทำกรรมชั่วการที่จะทำกรรมดีของมันกันเราต้องเจตนาเจตนาตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลมันจึงจะเป็นบุญกุศลแต่ว่ า, าใจของเราจะไม่เจตนาที่จะทำความชั่วมันจะชั่วได้ยังไงมันเป็นไม่เป็นบาปเหมือนกับเรารักษาศีลศีลนี่นถ้าหาว่าเราเจตนาฆ่าสัต ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดก่าวมุสาดื่มสุราไม่เจตนาทั้งนั้นถ้าเราเดินไปเหยียบมดเหยียบหอยเหยียบอะไรก็ตามเราไม่เจตนาศินยังไม่ขาดนะเพราะไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าไปหลังแกนี่แหละการการทําความดีความชั่วออกไปจากใจทั้งหมดคือเจตนาเป็นหลักเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะ ทุกท่านน ะ, ะดูใจของตนเองใจของเราเน่ะเจตนาเป็นเครื่องบ่งบอกอันรับพรอันอนุมโมทนาให้พร